กุโทสติค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมมนาสนทนามาแล้วนะคะจะนั้นไม่จําเป็นต้องเอ่อลุง โดยคําที่ถูกปิดให้กับพวกเราเป็นประจําที่ มีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวใช่ทําอะไรก็มีอารมณ์อยู่ตรงนั้นอืมข้าวก็อย่าเอาใจ ก็หลังจากทําให้คนที่คิดว่าโอ๊ยไม่มีเวลาเลยไม่รู้ชีวิตนี้จะมี ไอ้สิ่งนี้จะทําให้เรามีหงุดหงิดเนี่ยความ แล้วจะช่วยทําให้ป้องกันจากภายนอกคือมันจะมันก็เข้าไม่ได้ประตูเราเราปิดล็อกนะๆนะเราหรือ หรือแม้แต่การรำลึกถึงพระเจ้าก็ได้นะจิตของเราจะไม่มีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมน่ะในนาทีนั้นก็ได้เหมือนกันงั้นถ้าจะ นั่นก็จะบอกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระ ว่าคุณสมบัติของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรเอ่อเป็นค่ะก็ไหนๆท่านจะค่ะเอ่อก็เป็น แต่ถ้าเผอว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแม้เพราะ เป็นผู้จำแนกค่ะทีนี้อ่าถ้าไปงั้นอืมหมายความว่า 3 ค่ะวิชา จุดทูปปะทยานบุพเพนิวาสานุสติญาณสวคขายญาณนะคือในคืน 2 <Okay. S 1> ก็คือรู้ถึงการ นั่นคือญาณที่จะทําให้อาสวะสิ้นไปได้นี่คือ 3 เป็นวิชา 3 ใช่แล้วก็จรณะก็คือข้อปัญญาบางแห่ง แล้วก็สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีอะไรสุขโตเนี่ยนะคะ แต่จริงๆโชคชะตานี่มันโชคไม่ดีใช่มั้ยคุณโยมติวหรือว่านรกเปรตอสุรกายภพ เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใคร พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่สอนนั่นคือหน้าที่ค่ะทีนี้บางคนอาจจะ ท่านกระสวนอิติปิโสแบบเติมของท่านแหละแต่ทีใช่นะคะว่าอ๋อบทนี้เองพระพุทธองค์ แล้วก็เป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นครูที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกยังไม่ใช่ขอให้เข้าไปปฏิบัติกันละกัน กับทั้งเถรามนปรมูศาสตรพร้อมทั้งสามเณรพราหมณ์โอ้โหดิฉันในพุทธวจนะมีมั้ยถ้าอ่าภิกษุทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปท่องจบก็จะโชคดีนะ หรือว่าการเอาธรรมกรรมของพุทธเจ้ามาท่องจํานั้นเป็นค่ะเอ่อบาง อ่าให้เราไปสะดออืมงั้นเคยอืมจริงๆแล้วจะได้ผลอย่างนั้น เห็นตามที่เป็นจริงเบื่อนายใครกำหนัดปลายวรรคผู้ 1 หรืออีกกระบวนการหนึ่งสามารถกําหนดบทเพลญฉลังพุทธเจ้าได้ まあแอบบอกท่านบอกว่าบางทีพระอาจารย์พูดยากอืมดิ บทเพียรญชนะของพระพุทธเจ้าคือคําสอนของค่ะก็หน้าคลิปนะคะเนี่ยเป็นวิชาแกโรติกอาจารย์แต่ว่าเรื่องจํานวน ค่ะเนี่ยที่มันฟุ้งเฟ้อมากมายเหลือเกินน่ะก็ค่ะก็ที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าอันไหนเวิร์ค หรือสึกรู้ส้มกับสิ่งที่เรากระทบได้เนี่ยนะคะเอ่อเราก็ใช้วิธีสวดมนต์นี้แทนได้มั้ยคะที่จะทําให้มีสติอยู่กับได้เช่น สวดมนต์ที่เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธองค์นะคะก็ได้ประโยชน์เยี่ยมบานงั้นวันนี้ก็เรียกว่าได้สําหรับ การที่จะ 27 ตุลาคมนะคะก็ประกาศโฆษณาแล้ว FM 106 นะ สำหรับรายนัดท่านมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นี้